บุกทูเจ็ดสิบเอ็ดเซเต็กอูนต้องการอยาก v o l e y ยคุณอยากทำอะไรพี่ยันวีบอลสคุณอยา ก, ยากเล่นฟุตบอลไหมชวูวีบอลสฟุตบอลิ คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมชุบิวอลาสวิซิตอามีบอยนต้องการอยากวอลิ <V oli. S 2> ดิฉันไม่อยากมาสายมีนเนวอลาสเบนิมัลฟรูเอดิฉันไม่อยากไปที่นั่นมีนเนวอลาสอีริเทียน ดิฉันต้องการกลับบ้านมีวลอลัสเอริเฮเมนดิฉันต้องการอยู่บ้านมีวอลสัสเรสติเมดิฉันต้องการอยู่คนเดียวมีวอลสัสเอสติคุณอยากอยู่ที่นี่ไหมชมมูวิวอลลัสเรสต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 คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะคุณอยากไปดิสโก้ไหมสกคุณอยากไปดูหนังไหมคุณอยากไปร้านกาแฟไหมู